วิธีสละเพศสัตว์ที่เป็นนิสสกีสละแก่สง์ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาสงห่มอุตราสงเฉวียงบ่าข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุผู้แก่งรรษานั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญเพศสัตว์ของกระผมนี้เกินกำหนดเจวันเป็นนิสสกีกระผมสละเพศสัตว์นี้แก่สง์ครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัตภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงรับอาบัต พึงคืนเพศัต ท, ที่เธอสละให้ด้วยเยติก ร, รมมาวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าเพศัตของภิกษุเช่อนี้เป็นนิสกีเธอสละแก่สงฆ์ถ้าสงฆ์พร้อมกันแล้วก็พึงให้เพษัตนี้แก่ภิกษุเช่อนี้สละแก่คณะภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุหลายรูปห่มอุตราสงฆ์เฉียงบ่าข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษา นั่งประยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญเภสัชของกระผมนี้เกินกําหนดเจวันเป็นนิสกีกระผมสละเภสัชนี้แก่ท่านทั้งหลายครั้นสล่าแล้วพึงแสดงอาบัตภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงรับอาบัตพึงคืนเภสั์ที่เธอสละให้ด้วยกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงฟังข้าพรเจ้าเภสัชของภิกษุเช่อนี้เป็นนิสกีเธอสละแก่ท่านทั้งหลาย ถ้าท่านตั้งหลายพร้อมกันแล้วก็พึงให้เพศัตวนี้แก่ภิกษุชื่อนี้สละแก่บุคคลภิกษุรูปนั้นพึงก็ไปหาภิกษุรูปหนึ่งห่มอุตราสงเฉียงบ่าข้างหนึ่งนั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านครับเพศัตวของกระผมนี้เกินกำหนดเจวันเป็นนิสกีกระผมสละเพศัตวนี้แก่ท่านครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัต ภิกษุผู้รับสละนั้นพึงรับอาบัติแล้วคืนเพศัตวที่เธอสละให้ด้วยกล่าวว่ากระผมคืนเพศัตวนี้ให้แก่ท่าน